มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักสำปัตตะกาละปัญหาที่สองถามว่า พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูรู้เห็นสารพัดหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชค์การถามว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระน า, าเสศน์ผู้เป็นเจ้าพุทโธอันว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้สัพพัญยูเป็นสัพพัญญูสัพพะทศวีมีปกติสารพัดจะเห็นสิ้นหรือประการใด พระนาคเสนเถระเมื่อจะแก้ไขจิงถวายพระพรว่าอามะมหาราชะขอถวายพระพรจริงอยู่สมเด็จพระสัพพันยูนี้สารพัด ร, รู้ซึ่งวิสัยโลกุตระและโลกีสัพพะทาวีสารพัดที่เห็นไปสิน้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชะองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาค เ, เสนผู้ปรีชาญาสมเด็จพระโลกุตมาจารย์จอมโลกเป็นองค์สับพันญูสารพัดที่จะรู้เห็นตลอดโลกทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันสารพัดจะรู้ไปสิ้นแล้วก็ฉะไหนจึงไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งปวงให้เป็นลำดับลำดับไปจึงค่อยบัญญัติทีละน้อยทีละน้อยเฉลยว่า จะหารู้ตลอดไปไม่ดอกกระมังนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จึงถวายพระพรถามไปเล่าว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเจ้าเหมือนหมอทั้งหลายที่รู้ตำรารักษาไข้ย่อมรู้ไปในลักขณะยาทั้งปวงรู้ว่าไข้สิ่งนั้นชอบประกอบยาสิ่งนั้น รู้สารพัดไปกรณีหรือพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตเอกรณั้นและสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถามอีกเล่าว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้เป็นมหิสรารธิบดีเมื่อหมอทั้งหลายนี้รู้ยาแล้วจ้ไห น, นจึงมิประกอบยาไข้ให้กินเสีย ให้โรคหายจนตลอดชีวิตทีเดียวจึงค่อยเยียวยารักษาแต่ทีละไข้เป็นเหตุชไหนนะบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการแก้ว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าหมอเหล่านั้นเขารักษาแต่ที่คนเจ็บคนไข้ที่ไม่ไข้ไม่เจ็บนั้นไม่รู้ที่จะให้กินยาการไว้นะพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเกษวนจริงถวายพระพรว่าหมอนั้นเล่าเปรียบฉันใดสมเด็จพระบรมไตรยโลกกนายกยังไม่มีเหตุก็ไม่บัญญัติแก่สาวกด้วยสิกขาบทน้อยใหญ่ดุดคนไม่เจ็บไม่ไข่หมอมิได้พยาบาลนั้นขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระไทยโสมนาตรัสว่ากัรโลสิ สมควรแล้วที่กล่าวในการบัดนี้สำปัดตะการลปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้